คนเราอื่นอยากเป็นผู้ดํำริผิดมิจฉาสังกปะเรารู้จะกคำว่ามิจฉาสังกปะไหมไม่รู้ต้องบอกว่าไม่รู้สิการคิดผิดเนี่ยเช่นดํำริไปในเรื่องของกามาคุณเราคิดเรื่องกามบ่อยไหมคิดเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องทรัพย์เรื่องบุตรเรื่องภรรยาเรื่องสามีเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องคนที่เกี่ยวข้อง คิดไปก็ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างสุขใจบ้างทุกใจบ้างเครียดบ้างวิตกกังวลบ้างเป็นไหมเนี่นยนะถ้าคิดในเรื่องของกามดําริเป็นในเรื่องกามสีที่สวยๆเสียงที่พ้อๆกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยได้บ้านได้ทรัพย์ได้ยอดได้ความสุขโอ้โหเนี่ยนะอันนี้เป็นกามวิตกดําริในกามบางกลุ่มก็คือพยาบาทวิตกก็ตรึกคิดในเรื่องของพยาบาทเครียดโกรธงดเงดิด ทำไมเราทำไม่ได้ทำไมพ่อถึงเป็นอย่างนั้นทำไมแม่ถึงเป็นอย่างนั้นทำไมพี่เป็นอย่างนั้นน้องเป็นอย่างนั้นผิดบ่อยไหมทำไมลูกน้องเป็นอย่างนั้นทำไมเจ้านายเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้แม้หน้าเบื่อหน่ายเหลือเกินไอคนที่ี้เจอหน้าคนนี้ทีไรแล้วโคตรเครียดโคตรกุ้มเลยได้เป็นบ่อยไหมอันนี้เขาเรียกพยาบาทวิตกดัมฤกอย่างนี้เขาเรียกมิจฉาสังกับปะเป็นบ่อยหรือไม่บ่อยแล้วดัมฤกอย่างนึ่งก็คือดัมฤกเบียดเบียน คนนี้มา่อไรจะพ้นพ้นไปสัทีอะ่ะหน้าเบื่อแล้วเกินเซ็งให้ <c oughs> <c oughs> วันวันหนึ่งเนี่ยเรื่องอะไเนี่ยเขาเรียกมิจฉาสังกปะมิจฉาสังกปะนี่เขาเรียกดําลิผิดนะดําลิอย่างนี้เขาเรียกปรุงแต่งจิตในทางที่ผิดเนี่ยเราเป็นนักปรุงไหมปรุงแต่งจิตไปในทางที่ผิดปรุงแล้วก็มาเครียดมากุ้ม ระหว่างกรารมัวิตกคิดถึงเรื่องกราร์คิดเรื่องบ้านเรื่องทราบเรื่องยศทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นและเพลินเพลินเพลินมึนหมูกงัวเมากับเขากับพยาบาทคิดเครียดคิดกุ้มกับคิดทําลายอยากให้เขาเมียนเป็นไปอยากให้วิบัติเป็นต้นกุ้มวิตกตัวไหนเยอะกว่าการสามตัวเนี่ยกุ้กมกุ้มการมวิตกคิดเรื่องกราร์พยาบาทวิตกคิดเรื่องเครียดเรื่องโกรธงุดหงิดง่าย วิหญิงสาวิตกคิดเบียดเบียนคิดทำลายอันไหนเยอะกว่ากันข้อแรกคิดเรื่องกามเนาะคิดเรื่องหลายคิดเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์เรื่องยศเคยคิดไหมว่าโอ้โ oh, ห oh, สักวันหนึ่งเราจะแก่เราจะลาบากฮะเลย สรุปแล้ววันวั น, วนหนึ่งล้วก็วนๆวนวนอยู่ไอ้เรื่องเนี้นะออกจากความคิดไม่ได้ออกไม่ได้โอ้โหเนะนี่ยมนุษย์มันตันตรงเนี้ยตันตรงที่ว่าเดี๋ยวก็คิดตึกหนึ่งนะี้กาโมวิตกตาเราก็เริ่มแหมตาเราเริ่มแย่ลงหูก็แย่ลงจมูกก็แย่ลงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อสภาพร่างกายเราก็แย่ลงต่อไปเราลําบากแน่นอนเลยเคยคิดไงี้ไหมนะ เร่มคิดใช่ไหมตอนนี้โอ้โหเนี่ยพ่อก็ป่วยแม่ก็ป่วยแล้ะเรือนไหนเราจะอยู่ยังไงคิดคิดไปเยะเรื่อยเลยไหมปรุงแต่งตลอดเวลาไหมไม่มีความสุขเลยใช่ไหมเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกกลุ่มพยาบาทวิตกคิดอย่างนี้เบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนคนอื่นด้วยไหมเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนคนอื่นเห็นเราแล้วเขาก้มตามเราด้วย เบียดเบียนคนอื่นพอว่าคิดแบบนี้เบียเสร็จแล้วบางทีแล้วก็มีวาจาไม่ดีเข้าด้วยน้องเบียดเบียนคนอื่นนะเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วยพัฒนาปัญญาไหมหรือกักปัญญาไว้ปัญญาไม่เจริญเป็นไปกับความทุกข์ด้วยคิดถ้าเรายังไม่อยากพ้นทุกข์ก็ให้คิดแบบนี้คิดแบบเนี้ยคิดเยอะๆแล้วก็จะเป็นจะเป็นไปเพื่อ เกิดบ่อยๆแก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆก็จะเป็นไปเพื่อความโศกความลำลายลาพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจก็จะตามมาคิดไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เจริญปัญญาหรอกปัญญาก็ค่อยๆหดลงหดลงหดลงอะไรอะไรเกิดขึ้นมาแทนที่โมหะความไม่รู้ก็เริ่มเพิ่มพอกพูนมากขึ้นมากขึ้ น, น <c oughs> <c oughs> ดีไหมนี่ยกลุ um ่มชอบปัสสายะตัวเอง ทำเหมือนตัวเองน่ารังเกียจเอ๊ะบางทีเราเกิดมาเราชอบเบียดเบียนตัวเองเนาะถ้าเรามีเราเราเห็นใครสักคนหนึ่งเขาตื่ขึ้นมาแล้วเขาเ้าชกตัวเองทุบตีตัวเองเราจะมีความรู้สึกยังไงเห็นคนคนนี้เอาไม้ตีหัวตัวเองบ้างทิ่มแทงตัวเองบ้าง หยิกตัวเองบ้างกัดตัวเองบ้างาถ้าเราเห็นคนแบบเนี้ยเราจะมีความรู้สึกกับคนคนนั้นยังไงฮะอา้าวแล้วเราที่คิดแต่เรื่องเครียดเรื่องกุ้มคิดแต่วิตกกังวลเนี่ยแล้วมันต่างอะไรกันเนาะต่างกันอะไรเอามือทุบตัวเองหยิกตัวเองบดทุสไล่ตัวเองต่างกันไหมไมไ่ต่างกันเลยแล้วก็เหมือนไอ้คนคนนั้นเลย ขมนี้เขาเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเขาเรียกโรคอะไรโรคทำร้ายตัวเองเนี่ยนี่ความไม่รู้ใช่ไหมให้เราสมาทานใหม่ต่อไปเราจะไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วตนเป็นที่รักอย่างยิ่งไหมก็เรารักตนเองเนี่ยก็มันอย่าไปเบียดเบียนตัวเองสิก็สมาทานว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้ว เราได้มอบตนแด่พระรัตนตรัยแล้วเราจะไม่เบียดเบียนตนเองเราจะไม่คิดประทุษร้ายตนเองอีกแล้วเราจะไม่ให้กามวิตกพยาบาทวิตกพิิงสาวิตกเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้ก็เบียดเบียนตัวเองตลอดใช่ไหมแต่ในญาติตรงกันข้ามนี่ไงข้อที่สิบสามว่าไงนะชนเหล่าอื่นเราไม่ใช่ข้อที่สิบสองชนเหล่าอื่นจากมีความดัมบลีผิดเนี่ยแสดงให้เห็นชัดว่าเราเป็นคนที่ปรุงแต่งทุกข์ได้เก่งในพวกดัมบลีผิด คนทั่วไปเนี่ยร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าด้วยเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดชนส่วนมากเป็นแบบนี้งั้นไม่จริงๆก็ไม่เหงาเนะที่เราเป็นคนแบบนี้มันไม่ใช่เฉพาะเรามองไปที่ไหนก็เป็นกันอย่างนี้หมดนั่นแหละแต่ว่าอาการจะหนักหรือเบาก็ต่างกันออกไปก็ว่ากันไปแต่เป็นแบบนี้หมดเลยบางคนก็บางคนก็บางกลุ่มก็ในเรื่องกลาง โอ้ยอยากจะได้กรรมอยากจะเสพกรรมอยากจะตอบสนองอยากเอากรรมมาตอบสนองมาบมเลอตาหัวจะบุกลิ้นกายโอ้โหได้เท่าไหร่ก็ไม่พอแสวงหาอยู่ล่ําไปไม่หยุดไม่ย่อนได้บ้านมาแล้วก็อยากได้รถได้รถมาแล้วก็อยากได้ที่ดินอยากได้ที่ดินอยากได้ทรัพย์อยากได้บุตรอยากได้ภรรยาอยากได้บริวารเยอะๆโอ้โหขนขวายอยู่นั่นแหละ ได้เท่านี้แล้วดูตัวเลขในบัญชีไม่พอขนขวาใหญ่ลงทุนต่อสู้แข่งขันแย่งชิงกันสรารพัดหมดแหละใช่ไหมกลุ่มกาบวิตกกลุ่มพยาบาทวิต ก, ก็โกรธเครียดวิตกกังวลนะทนะะทุกเนี่ยปัสสศลายตัวเองสรารพัดไปไอกลุ่มวิหิงสาวิตกก็คิดทำลายคิดล้างคิดให้เขาวิบัติส ก, กัดกันทำยังไงให้คนนี้ต่อสู้เราไม่ได้โอ้แข่งขันกันใหญ่ มันเรื่องปกติไหมในเรื่องแบบเนี้ยก็ในโลกใบนี้เป็นแบบนี้นั้นชนเหล่าอื่นจากเป็นผู้ดำบลีผิดคือมิจฉาสังกปะในข้อ น, นี้เราจะเจริญอะไรตรงกันข้ามกับเขาไหมเออเราจะเจริญสัมมาสังกปะคือกุศลสังกปะก็คือดำบลีออกเลยดำบลีในกุศลสังกปะก็คือเนฆมาสังกปะเขาดำบลีที่จะเอาเราดำบลีให้ใช่ไหม เขาต้องการรูปที่สวยๆล้วบอกเรามีของสวยๆเราก็จะสละให้เรามีเสียงเพราะเราก็จะสละมีกลิ่นหอมๆก็จะสละรสอร่อยๆก็จะสละอา้าวสมมุติว่าอยู่กับน้องอยู่กับพี่อยู่กับพ่ออ ย, พ อ, อยู่กับสามีเรามีอาหารที่อร่อยๆทำไงดีเอาละเราจะไปให้พ่อพ่อนี่อาหารเนี่ยอร่อยมากนะเนี่ชอบมากเลยสละซะเลยเนี่ยทาลายซะเลยอะ่ะนี่ให้แล้วเป็นเกกามาไหเนี่ยเป็นดี ใช่ไได้ของดีๆของเลิศๆประเสริฐประเสิฐมาเอาเราจะให้เพื่อนให้พ่อให้พี่ให้น้องเราจะให้เราจะทาลายไอ้กามมาสังกปะให้หมดไอ้ความดํหลีไม่ดีดํหลีในการเนี่ยเราจะทำลายทิ้งเลยเราจะให้ดีไหมโหเป็นกุศลเลยตีนนี้ยอคนอื่นเขาดํหลีในการโกรธหงุดหงิดง่ายแต่เราจะเมตตา เราจะตัมเิดในการเมตตามีความรากักความปรารถนาดีความเอือ้ออาทรแบบจับจิตจั บ, จบใจให้เกิดขึ้นจริงๆเลยนะเออเราจะรักเขาเราจะรักตนเองให้ถูกเอารักตัวเองทํำยังไงคนที่ทํากายทุจริทธวจีทุจริทธมโนทุจริทธแต่ชื่อว่ารักตัวเองไหมก็เบียดเบียนตนเองคนที่เครียดบ่อยๆรักตัวเองหรือเปล่าอุ้ยต่อไปเราจะรักตัวเองแต่ก่อนเราชอบแผ่เมตตาหัางสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอันนั้นเป็นคําพูด คนที่จเจริญสุดจริตสามเนี่ยถึงแม้ไม่แผ่เมตตาก็ชื่อว่าเมตตาตัวเองว่าเราทำสิ่งที่ดีงามตลอดเนี่ยชื่อว่าเมตตาตัวเองจริงไหมจริงคนนั่งไปนั่งเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์เลยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทแต่โกรธง่ายเหลือเกินกับเราจเรจริญสุจริตลักษ์ตัวเอง เราจเจริญสุดจริตบาปก็ไม่ทํากายกรรมเป็นบาปไม่ทํากายวจีกรรมที่เป็นบาปก็ไม่ทํามโนกรรมที่เป็นบาปก็ไม่ทําก็ทําแต่สุดจริตใจก็มีแต่เมตตาลากปราถนาดีเอื้อทอนชอบช่วยเหลือเผื่อแพ่อย่างนี้เชื่อว่ารักตัวเองไหมไม่ต้องไปแผ่เมตตาตัวเองก็ชื่อว่าเมตตาแล้วนั่นแหละคือเมตตาตัวเองเรียบร้อยแล้วเมตตาจากการกระทําจากการที่เราคิดถูกเราบอกเฮ้ยฉันเป็นคนมีเมตตานะแต่เป็นคนเครียดมาก เครียดก็คือโทษะเป็นเมตตาได้ที่ไหนใช่ไหมฉะนั้นต่อไปเราจะรักตัวเองให้ถูกรักคนอื่นให้เป็นแล้วก็กรุณาก็แปลกไหมกรุณาของพวกเรามีกรุณาแบบมีเงื่อนไขเช่นพ่อเป็นทุกข์พ่อป่วยแล้วก็ไปช่วยยิ่งช่วยอาการของพ่อก็ทุดสุดลงสุดลงแล้ เ, เป็นไงใจเราเป็นไงอย่างนี้เขาเรียกกรุณาไหม เรียกโท ม, มนัทจะเป็นกรุณาได้ไงถ้าการุณาคือในขณะที่เราช่วยเต็มที่นี่แหละถึงแม้สถานการณ์ของพ่ออาการของพ่อซุดลงซุดลงซุดล ง, ดลงแต่กรุณาเราไม่เคยเสื่อมคลายเราไม่ทุกเลยนะเราเห็นความสามารถของเราความตั้งใจของเราความเอาใจใส่ของเราเราเกิดมีความสุขจากการที่เราได้ทําเต็มที่เต็มความสามารถเต็มศักยภาพเราได้เห็นกุศ ล, ล กรุณาในใจของเราต้นกรุณาของเราคุณธรรมกรุณาของเรามันจะเลื่อนขึ้นจเจริอนขึ้นจเลื่อนขึ้ น, เ, นเราชื่นใจตรง น, นั้นแต่เราเข้าใจความจริงว่ามนุษย์ทุกคนต้องตายต่อให้มีความสามารถขนาดไหนยังตายคนมีทรัพย์เต็มแผ่นดินก็ยังตายเลยมีทรัพย์จนจะโ้นโลกเขายังต้องตายเลยาความตายเป็นสมบัติของทุกทุกคนพ่อเราจะไปหลีกเว้นได้ยังไงต่อให้เราเป็นหมอเอาหมอมานเป็นร้อยหมอพวกหมอยังตายเลยใช่หไหมอย่าว่าแต่พ่อเราและหมอยังตายเลย ฉะนั้นแต่เราได้ทําเต็มที่ได้ยังล่ะทําเต็มที่มันต้องชื่นใจที่กรุณาจะเกิดขึ้นกรุณาต้องเป็นไปกับสมณัตมันเป็นไปกับกุศลจิตเป็นไปกับจิตที่เบาสบายล่มเย็นมีความสุขกรุณาเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไปร้องไห้โหยโหยฉันกรุณาเหลือเกินฉันกรุณาเหลือเกินไม่ใช่ก็ยังกรุณาเป็นอย่างนี้กรุณาคือได้ทําเต็มที่เต็มความสามารถเต็มศักยภาพแล้วชื่นใจถึงแม้ช่วยเขาไม่ได้ แต่เราได้เห็นกรุณาในตนที่มันเกิดขึ้นกายของเราก็เป็นกรุณาคำพูดของเราก็พูดด้วยกรุณาใจของเราก็คิดด้วยกรุณาคนขวายช่วยเหลือเขาเต็มที่เต็มความรู้เต็มความสามารถของเราเลยนึกทีไรก็ชื่นใจเมื่อไนะนั้นนี่กรุณาเช่นเหมือนฉันนึกถึงตอนที่ฉันช่วยยมพ่อเนี่ยฉันก็ชื่นใจนึกทีไรคนลุกพออาการสุดลงสุดลงแต่โอ้ฉันก็เร่งเต็มที่เลย ไปบินธบารมาเอาอาหารมาได้เขาต้มได้โจกมาตักป้อนยอมพ่อยอมพ่ อ, อ, พอกินนะกินเวสเสจกินได้สามการพอแล้วพระกินไม่ไหวบอกไม่เป็นไรนวดนวดนว ด, นวดให้พ่อก็กินกินไม่ไหวอยากตายแล้วเกินอยากตายแล้วเกินเนี่ยพ่อบอกไม่เป็นไรยอมพ่อไม่ต้องอยากเดี๋ยวก็ตายไม่ต้องอยากมนุษย์ตายทุกคน ไม่ต้องไปอยากมันยมพอ่อเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวมันไปไม่ไหวก็ตายเองแต่เราทํายังไงเราจะอยู่กับความเจ็บปวดได้โดยเราไม่ไ ม, ไม่ต้องใจเราไม่ทุกข์นะยมพอ่อกายเป็นทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยกายกระสับกระสายใจไม่กระสับกระจายกายอ่อนแอแต่ใจเข้มแข็งนะยมพอ่อทาได้ไหมทาไม่ค่อยไหวอา้าวทาแบบนี้แบบนี้ก็บอกแนะนําไปแนะนําเนี่ยแนะนําอีทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, ว, นวางแผนเลยอะ วางแผนทําไงเอาชุดนี้เข้าชุดนั้นเข้าชุดนี้เข้าไม่ต้องไปโรงพยาบาลเอเดี๋ยวเอาไปเอาหมอมารู้รู้แล้วอาการเป็นยังไงแล้วก็อ่านออกได้ไหมเราก็รู้ผดูผลก็รู้หมดแล้วปอดไปหมดแล้วเนี้ยบอกเนี่ยยศพ่อเป็นเพาะ อ, อะไรรู้ไหมเป็นพ่อบุรีไงแต่ก่อนเคยบอกยมพ่อแต่ก่อนยอมพ่อจําได้ไหมจําได้เออพ่อบอกให้เลิกตั้งนานก็ไม่เลิกใช่ไหมเออไม่เลิกเนี่ยอันนี้มันเป็นผลของกรรมที่ทําไง เป็นอดีตกรรมหรือปัจจุบันกรรมยมพ่อปัจจุบันกรรมไม น, น, นี่ยมพ่อเขาเข้าใจตีพูดไปยมพ่อจําได้ไหมเนี่ยเราไปไหว้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปไหว้ที่ประทับตัดสรู้ของพระเจ้าจําได้เออพระธมเทศายมพ่อจําได้ไหมโอ้จำได้เออตอนนี้ไปสวดอย่างนี้อย่างนี้ยมพ่อยังจําได้ไหมจําได้คิดไปแล้วเป็นยังไงเอ้ชื่นใจโอ้แต่ปวดเหลือเกินเดี๋ยวค่อยก้กาวขมากลับมาหาความปวดอีกแล้วก็ดึงไว้ให้บินนึกกุศลต่อไหม ทำกันยังไงเยืะกันอย่างเงี้ยคุยกันจนแก่ตายอะ่ะฉันแกบอกโอไม่ไหวแล้วเนี่ยนอนไม่ได้เป็นเดือนเดือนสองเดือนไม่เป็นรายแล้วก็สลับเราเพียรก็ไปใหนสลับคนดูต้องสลับ <c ười> คนป่วยคนเดียวอ่ะแกนอนไม่ได้โอ้ยทรมานแล้วก็บอกเนี่ยเป็นเรื่องปกติเจ๊ฉันไม่เคยฉันบอกแม่บอก ยอมแม่บอกน้องๆนุง่นงๆบอกทุกคนไม่ต้องไปร้องหรอกแต่เราควรทาให้เต็มที่อยากทําอะไรให้แกทําทำํทำๆเนะี่ยเดี๋ยวต่อไปยังไม่ได้ทํานะทุกคมขนขวายอะ่ะพอหลังจากแกตายนะดูแลเนะี่ยทุกคนดูแลเต็มที่ฉันมาประชุมญาติๆบอกว่าถ้าอยู่อย่างเนี้ยถ้ายอมพ่ออยู่อย่างนี้อีกเป็นเดือนสองเดือนเนะี่ยจะมีความสุขแกมีความสุขที่ได้ทําเต็มที่ ไม่เคยเหนื่อยเลยแล้วทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความตั้งใจและไม่โทรมนัดเลยทุกคนทำด้วยความสุขใจที่ได้ทำเต็มที่ได้ดูแลพ่อเต็มที่อยากนวดให้นวดอยากบีบให้บีบอยากดูแลดูแลแต่ว่าท่านตายไปแล้วดูแลได้ไหมไม่ได้งั้นตอนนี้อยากจะทําทําเสมอเหมือนหนึ่งว่าท่านจะอยู่กับเราเพียงชั่วโมงนี้กลับไปเนะี่ยไปทาอย่างนั้น เดี๋ยวท่านกระจากเราเราก็จากท่านแล้วจริงไม่จริงนะี่ทำให้เต็มที่แล้วอยากทำกับท่านให้เต็มที่ทำเลยแล้วต่อไปเวลาท่านจากไปแล้วเราไม่เสียใจเลยในฐานะเป็นลูกคนหนึ่งที่คุ้มพึงจะกระทำต่อพ่อแม่เราได้ทำแล้วคิดเมื่อไรก็ไม่เคยเสียใจเลยแนะน่นอนนึ ก, นกชื่นใจทุกทีเลเห็นรูปแกทีไรนี่ยิ้มเลย เ, เราทาเต็มที่จริงๆทํามคือเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เรามีความสุขในการทา เราคิดว่าเดี๋ยวเราก็ไม่มีหน้าที่เดี๋ยวเราก็หมดโอกาสทําแล้วหมดจริงๆตอนเนี้ยอยากจะกลับไปทําอีกไม่ได้แล้วจะไปยกอุปโลกไคเพราเป็นพ่อก็ยกไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่เนี่ยสุดจริตกรรมที่เราทํากับพ่อจะตามส่งเสริมเราตรงนี้นี่เป็นอย่างนี้เข้าใจอย่างหนึ่งนี่คือกรุณานี่คือกรุณานี่คือการตรึกการคิดที่เป็นกุศลสังกปะนี่คือการปฏิบททัติธรรมในชีวิตจริงเขาปฏิบัติแบบนี้เหมือนพระพุทธเจ้านะ ไปหาโยมพ่อพระเจ้าสุดท้ทนะาไปนวดไปฟันอุ้มปรินิพานคาคาตักเพราะเทศให้ได้เป็นพระนาคาจากพระนาคาเทศให้พ่อบรลุเป็นพานาาระอรหันต์ปริณิพานในขณะที่อุ้มเลยขนาดนั้นนี่ตอบแทนบุญคุณพ่อได้ขนาดนั้นเดี๋ยวมาหมดปัญญาทําไม่ได้โอ้พหเจ้าสุดยอดจริงเราสุดแย่มากทาไม่ได้เอาส่ไป ทำทำกับพ่อให้ได้ขนาดนั้นทำกับแม่ได้ขนาดนั้นนำคันบ่เย็นพ่อปับ๊บทำไมพ่อไม่เป็นแบบนี้ฉันไม่เคยไปทุกข์ใจนะพ่อร้องโอ้ยโอ้ยทรมานเหลือเกินอยากตายอยากตายฉันไม่เคยไปทุกข์ใจนะที่พ่อพูดคำนี้ยฉังบอกพ่อไม่เป็นไรนะพ่อร้องไปเถอะถ้าร้องแล้วมันคายปวดได้พ่อร้องเลย นะครับนะครับเขาก็มองนะฮะไม่ร้องไม่อยากร้องเลยแนะใช่ไหมก็อธ <c oughs> ิบายแกพังบอกว่ามันมันปวดก็ต้องร้องตอนเอา ม, มาปว่วยปวดเอา ม, มาก็ร้องมันทนไม่ไหวหรอกจริงอน่าบอกงไม่เคยค้าดเนี่ยไม่เคยไปห้ามแกไม่ให้ร้องร้องไปเถอะพ่อแต่มันมีสองส่วนนะโรคเนี่ยยมพ่อมันทําเราได้มันโจมตีเราทางด้านร่างกายเท่านั้นแหละแต่มันไม่สามารถไปโจมตีใจเราได้หรอก ยกเว้นใจเราเนี่ยกับกายเป็นถูกกระทำทำไมเราต้องให้เขาทำที่กะที่ใจเราด้วยล่ะพ่อก็ให้มันทาที่กายเราก็พอแล้วเราเป็นผู้กระทามันบ้างสิเอาเราเรามัวไปคิดถึงมันอยู่มันก็ทุกข์ใช่ไหมพ่อก็นึกถึงกุศลดีไหมมันเหมือนกับการเหมือน ก, การออกลบอะมันมีการลบแบบประจันบานก็มีใช่ไหม รบแบบถอยทัพก็ดีรบแบบกองโจนก็มีใช่ไหมเ้มาเวลาป่วยเราจะรบแบบไหนแบบประจันบานประจันบาลก็ดูที่กําลังใจเราแข็งแรงพอไหมสติเราแข็งแรงพอไหมสมาธิแข็งแรงพอไหมความเพียรความกล้ า, าเราแข็งแรงพอไหมสติปัญญาของเราไหวไหมพลังของเราไหวที่จะต่อสู้กับเขาโดยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยไหวไหมสู้กับโรคไหวไหม ถ้าเราพลังของเราไม่ไหวกุศลในใจเราไม่ไหวก็ลบแบบถอยทับสิเคยลบแบบถอยทับลบไปถอยไปลบไปถอยไปอ่ะลบแบบไหนลบแบบถอยไปอ่ะก็คืออย่าไปโจมตีก็เลยถอยถอยถอยเรื่อยๆค่อยๆถอยลงมาถอยความรู้สึกไม่ใช่ปสู้เขาเต็มที่ถอยปล่อยเขาก็จะปวดก็ปล่อยใจค่อยๆถอยออกใช่ไหมลบแบบไหนอีก แบบกองโจนกองโจมแบบส้มตีอะส้มตีเป็นระยะก็คือว่าไปหลบที่อื่นไม่ดูเขาอะพอดูเขาอ่อนแอดูเขาไม่ค่อยลุกประหารก็เขาเขามาเขามาโจมตีเขา ม, มากำหนดมาพิจารณาแต่ละทีพอรู้ว่าเขาจะรู้ตัวมากมากแล้วก็ไปนึกถึงเรื่องอื่นใช่ไหมรบแบบกองโจนก็เลยบอกพ่อเอาวิธีไหนบอกขอรบแบบกองโจนนี่งั้นอ้าวเดี๋ยวสอน แนะนำแกให้คิดถึงว่าเาไปไหว้พระยังไงคิดถึงพุทธคุณเวลามันเจ็บป่วยมากนี่ยมพ่อนึกถึงนี้ตอนปริญญาพานยมพ่อจําได้ไหมจาได้จําได้ตอนเขาคิดจะกูยมพ่อขึ้นโอนจําได้เลยเนี่ยพ่อขึ้นไหวเลยตอนนั้นเนี่ยว่า ง, งั้นเดี๋เดินลงไปตอนนั้นเกือบหลงไปยมพ่อว่า ง, งั้นเกือบหลงในเขาแกก็ใจแกไปอยู่ในเรื่องอื่นนี่แล้วรบแบบกองโจรพอแกหายปวดหน่อยแล้วโรคไม่ค่อยรุมแล้วก็กลับมาอยู่ก็เราก็หยุดหยุดหยุดพูดเรื่องนี้ ให้แก่กลับมาคิดถึงในร่างกายเป็นอย่างนี้นะพ่อเนะี่ยแกก็มันนึกถึงร่างกายตัวเองนี่ลอบแบบกองโจรกลับมาโจมตีพอมันเริ่มโอยๆก็ให้แกคิดเรื่องอื่น <laughs> คิดเรื่องอื่นด้วย <laughs> เห็นไหมนี่เรียกมีวิธีอพวกเราจะลบแบบไหนประจันบานถอยทัพหรือแบบกองโจรเวลาเจ็บ ป, ปวดเจ็บปวยอรอ <laughs> บแบบไหน <laughs> ไม่มีวิธีการไว้เลยเดี๋ยวเวลาป่วยขึ้นมาไม่รู้เลย <c oughs> บางคนก็ใช้วิธีไหนว่าปวดมากๆ ก, ก็ใช้มอร์ฟีนได้เลยฟึดกันไปใช่ไหมดีไหมเมาอยู่อย่างงั้นแหละเมากับไอ้มอร์ฟีนดีไม่ดีดีไหมหมอใช้มอร์ฟีนกล่อมไปเลยสบ้า ดีได้หลงตายแล้วก็ได้ไปสุขทุกข์กติมาโมหากินเงยใช่ไหมฉันไม่ให้ฉันไม่ให้พอใช้โมบีนไม่ให้เลยเหมือนใจดำไหมให้แกมีสติสมัชชัญญาคุยกันไปเรื่อยคุยกันไปเรื่อย 嗯เอออืออืออือ ถ่าโมคือเป็ น, นี้ถ้าตายด้วยโมหะที่มีกำลังมันเป็นสัตว์เดรัจฉานเนาะถ้าโทสะโทสามีกำลังก็สัตว์นรกเนาะถ้าโลภามีกำลังก็เป็นเปรตใช่ไหมเอออ่าเราจะเอากลุ่มไหนเนี่ยประเด็นก็คือว่าเราจะมีวิธียังไงแล้วก็เอายกตัวอย่างนะมีคนคนหนึ่งที่ โรงพยาบาลจุราภรณ์เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเา้านนี้มดยันไปหมอก็จะให้มอฟีนเหมือนกันฉันบอกท่านนี้มดเอามาไปเนี่ยห้ามให้ดูนี้นันไม่มีประโยชน์ที่พระจะไปคนไข้ก็ไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วเขาเอาก็เลือกเอายอมเป็นคนเลือกเองนะให้มอฟีนก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องให้พระไปเพราะไม่รู้ตัวแล้วถ้าไปต้องรู้ตัวแล้วพระจะบอกวิธีให้ ญาติก็ก็เลือกที่จะไม่ให้ฉันก็ไปไปเสร็จถึงก็ไปกัน3ามสี่องค์ทําไมต้องไปสามสี่องค์เพราะญาติญาติที่อยู่ในห้องเยอะฉันก็แยกญาติเอาไปไว้ต่างหาก <c oughs> ให้กลุ่มพระสองสมองค์ไปคุยกับญาติส่วนฉันสอง 3, องค์สามองค์ก็มาอยู่กับคนปว่วยฉันก็ไปดูข้อมูลญาติไปเปิดทีวีเปิดไล่เล่นอยู่ฉันสั่งปิดหมด แล้วก็ฉันก็มีเสียงค่อยค่ยคยสวดมนต์ไปนักข้านักเข้าก็เบาเสียงฉันก็ค่อยๆค่อยค่อคุยกับแกแกก็โอยโอยโอยฉันรู้ข้อมูลว่าแกเคยไปบวชที่อินเดียมาใช่ไหมฉันก็เออโยมเคยบวชที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์จำได้ไหมจาได้ครับตอนนี้โยมอยู่ในสภาพที่โยมต้องตายแล้วนะโยมไม่สามารถที่จะดําเนินอยู่ในชีวิตนี้ได้แล้ว เวลาที่ยอมอยู่เนี่ยถ้าคำนวณดูแล้วเนี่ยไม่เกินเจ็ดแปดชั่วโมงโยอมต้องตายแล้วเนี่ยยอมเข้าใจความจริงข้อ น, นี้ไหมเข้าใจครับไม่มีใครบอกผมอย่างนี้เลยครับยอมเราถูกหลอกกันมาทั้งชีวิตเราถูกหลอกกันมาตั้งแต่เกิดตอนใหม่ก็บอกขยันเรียนนะลูกโตขึ้นแล้วจะได้สบายเ๋ยวจบเ๋วจบ ปถมแล้วจะได้สบายจบมัธยมจะได้สบายจบอุดมศึกษาแล้วก็จะสบายแต่งงานที่จะได้สบายมีลูกที่จะได้สบายลูกเรียนจบจะได้สบายลูกมีงานทําจะได้สบายลูกแต่งงานจะได้สบายมีหลานจะได้สบายแล้วถูกหลอกนี้มาตลอดใช่ไหมนี่คือความจริงนะเราอยู่ในโลกของขานหลอกลวงโยมความจริงคือตายไม่รอดไม่รอดอาตมาก็ต้องตายโยมก็ต้องตายทุกคนตายหมด หมอที่เดินเพ่นผ่านมาดูเลยเราก็เดี๋ยวจะตายนี่คือความจริงยอมเข้าใจความจริงข้อนี้ไหมถึงแม้เราไม่อยากตายแต่มันก็ต้องตายทุกคนไม่เคยมีใครอยากตายเลยแต่ก็ต้องตายนี่คือความจริงนะครับครับเอายังไงมันก็จะตายแล้วยอมก็มอบอัตภาพถวายบูชาพระรัตนตรัยเลยดีไหมดีครับเอาเลยเอามาก็นานาแบบไม่ต้องใช้ภาษาบาลีภาษาไทยเลย นำนำนำไปเสร็จปุ๊บยอมได้มอบอัตรภาพบูชาพระพุทธเจ้าอย่างบูชาแล้วเอาเลยยอมสมาทานศีลเลยตอนเนี้มันกินอะไรไม่ได้อยู่แล้วยอมจะเอากี่ข้อยอมจะเอาพบไหนเอาแล้วใช่ไหมถ้าศีลศีล ส, สิบยอมก็สมาทานได้เพราะยอมไม่มีสละทรัพย์ให้หมดเลยยอมสละให้หมดเงินทองทรัพย์สมบัติทั้งหลายสละให้เกลี้ยงเลยใครบูชาอะไรไปอยากจะทํายอมอยากจะทําบุญอะไรไหม อยากทำครับเอาเลยทำไปเรียกมาเอาเนี่ยสตางค์ฉันมีเท่านี้ฉันจะทำบุญเอาเลยทำน้อมทำไปเลยโยมทำอย่างโยมพ่อนี่เอาเจ้าหน้าที่ธนาคารมาโยมพ่อมีเท่าไหร่เซนเลยถอนออกมาให้หมดให้เกลี้ยงเลยไม่ให้เหลือสักบาทเอาลูกคนไหนอยากได้แบ่งไปส่วนนี้จะทำบุญนี่แกทำไป หมดนี้ยังพ่อแกหมดแล้วไม่เหลือแล้วเออเนี่ยเนี่ยเราได้สละหมดเนื้อหมดตัวแล้วเราไปอย่างเนี่ยเป็นที่เราขนทรัพย์ออกจากบ้านที่ถูกไฟไหมต้องขอบคุณที่คนมาช่วยขนให้กับเรานี <c oughs> ่ขนาดนั้นก็แนะนำแกแนะนำแนะนำให้แกสมาทานศีลแต่กอแกชื่นใจชื่นใจจนสมาทานศีลสิบเลยโอ้โหโยมเนี่ยโยมเป็นครวาต์ก็จิงแต่โยมเท่ากับศีลของเนเลยนะเนี่ย อย่างเนี้ยยมไม่ไปแล้วเอาใบอาใยภูมิยมชื่นใจได้ยมมั่นใจได้พระรัตนาไตรคุ้มครองยมแล้วโอ้จิชื่นใจนะน้ําตาไหลไหลไหลไหลอย่างเงี้ยยมตายได้ตายอย่างปลอดภัยตายยังมีเกราะตายอย่างมีเครื่องเครื่องคุ้มครองตายอย่างมีที่พึ่งตายตายแบบมีสารณะไม่ว้าเวอัธยาสายยมฝังไว้ก่อนตายเนี่ยมันจะไปปฏิสนธิแล้วโยมจะมีพวังกัจิตที่มีคุณของพระเจ้ญญาเป็นอารมณ์ ถ้ามีใครพูดคําว่าพูดโธรที่ไหนยอมจะตื่นเต้นในพบต่อไปและยอมจะพ้นทุกโส oh, ด์จะชื่นใจแล้วแกก็หลับต า, ต า, บ ต, าตายเลยเนี่ยหลับตาตายเลยเนี่ยนี่ฉันไปพูดให้คนตายมาหลายคนแล้วสนใจไหม <c oughs> พูดให้ตายเลยพูดพูดพูด คือคนใกล้ตายแล้วให้แกได้ที่พึ่งบางคนนี่ไม่ยอมตายแกห่วงห่วงทรัพย์แกมีคนติดต่อมาโอ้ยเนี่ยเจ็ดวันแปดวันไม่ยอมตายเสีอาการก็แย่ขนาดนี้ไม่ยอมไปแกห่วงทราบแกฉันก็ไปศึกษาอ๋อฉันก็ไปบอกแกหมดเลยฉันก็ไปถึงเอายอมไปห่วงอะไรเล่าเล่าเล่าเล่าแกฟังแกร้องไห้เลยไม่รอดแล้วยอม ไม่เหลือฉันฉันไปนั้นได้คุยกับยมพ่อฉันคุยอย่างนี้เลยนะตอนยอมพ่ออยู่โรงพยาบาลฉันไปปุ๊บพ่อฉันคุยกับยอมพ่อมาตลอดพา ไ, ไปถึงปุ๊บเนี่ยฉันก็เอาฟีมมาดูเอาเอาออพีการ์มาเช็คเช็คเช็คช็ดูดโอ้งานหนักแล้วก็เล่าให้แกฟังยมพ่อนี่ปอดไปหมดแล้วเนี่ย อยู่ไม่ก <Azerbaijan> <princess> <Allison> ี่วันยมพ่อแบบนี้ถ้าทนได้จริงครึ่เดือนเดือนครึ่งสองเดือนก็ตายแล้วเนี่ยอมพ่อหมอก็ตกใจเลยมีใครก็บอกเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านเดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวก็รอดแล้วเลยแล้วเดี๋ยก็บอกว่าเออจริงแค่ว่ายอมพ่อบอกจริงเอางี้ยอมพ่ออย่ตายโรงพยาบาลหรือไปตายที่บ้านแกว่าขอกลับไปตายที่บ้านเออเอายมพ่อเลือกเองนะแล้วจะไม่ไปไหนแล้วนะเอาเอาทรมานนะยอมพ่อนะ ออก็นขนอุปกรณ์เลยไปลงไปบ้านงันไปดูแลที่บ้านใแกเลือกให้แกเลือกตามสบายแล้วก็ช่วยแกเต็มที่เท่าที่เราจะทําได้อุปกรณ์อะไรที่พอจะช่วยเอามาที่จะพอคลายทุกข์ได้บ้างอะทําทุกอย่าง <c oughs> นี่หลวงพ่อได้แค่นี้เอาไม้เจาะไหมเจาะคอไหมใส่ทิ้วไหมเขาบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอา ให้แกดูไว้หมดก่อนหน้านั้นนะ่ะจะเอาแบบไหนเลือกเอาจะตายแบบไหนเลือกได้ในทุกวันนี้อุปกรณ์มันช่วยได้เยอะใช่ไหมจะตายแบบประเภทไม่รู้เนื้อรู้ตัวเอาแบบนั้นไหมแต่ไปนรกนะบอกแกอย่างนั้นแกบอกไม่เอาไม่เอ า, ไ, เอาไปเอาไปสวรรค์แล้วบอกเลยอยากไปชั้นไหนอธิบายแกฟังเลยว่าชั้นนี้จะไปทําอย่างนี้อย่างงี้พอใกล้จะตายมีคนมารับเลยเอย่างนี้เอางั้นเดี๋ยเรารู้เหตุรู้ผลนี่ใช่ไหม เหมือนเรารู้ทางว่าจะไปกรุงเทพไปยังไงจะไปเชียงใหม่เชียงรายยังไงไปปัตตานียะยาาณราธิวาสมันรู้ทางหมดแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะดำเนินไปได้ถ้ารู้ทางใช่ไหมมันก็ไปได้ไอ้ติ๊ไม่รู้นี่สิปัญหาคือไม่รู้นี่แหละใช่ไหมใช่ถ้าเราอยา ก, กจะไปทางนี้เราก็ดำเนินไปสิความรู้นี่สำคัญไหมสำคัญหรือไม่สำคัญสาคัญรู้เนี่ยสาคัญไอ้ไม่รู้เนี่ย ไม่รู้เนี่ยบางทีไปไปทำงงงงเนี่ยนี่มน่ากลัวตรงนี้แหละงั้นกุศลสังกป่านี่สาคัญไหมคิดออกจากกามคิดให้คิดในเมตตาแล้วก็คิดการุณาถ้าคิดการุณาไม่ใช่ว่าเหมือนเห็นคนป่วยอย่างเงี้ยเอา้าเป็นหมอใช่ไหมโดยมากเราก็เห็นแต่คนทุกข์ใช่ไหมการุณาของหมอเป็นการุณาวิตกกังวลอันนี้ไม่ใช่การุณาแท้ กรุณาได้แท้กรุณาแล้วมชื่นใจที่เราได้ช่วยเขาได้ช่วยเขาเต็มที่เลยโอ้นี่ก็เป็นโรคอะไรมาอ๋อที่เขาเป็นเบาหวานนี่นี่ก็เป็นความดันนี่เป็นโรคไตนี่โรคตับนี่โอ้ดูแลเขาเต็มที่เลยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมแล้วใจกันเนาะให้เขามีความสุขให้เขามีปราศจากโรคภัยแค่เจ็บให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นต้นเหล่าเนี้แล้วก็ค้นขวายช่วยเต็มที่เลยเนี่ยนี่กรณีแบบนี้ที่เขาเรียกว่า ชนเราอื่นจากเป็นผู้ดำริผิดในข้อนี้เราจากักใช่เขาจะปูงแต่งทุกแต่เราจะปูงแต่งสุขเขาจะปูงแต่งบาปแต่เราจะปูงแต่งบุญเน้อดำริตรึกตรงนี้ก็คือนักคิดพวกเรามันนักคิดอยู่แล้วแต่ด้ยมากระหว่างคิดบุญกับคิดบาปเราชำนาญในเรื่องคิดอะไรมากกว่ากัน <c oughs> <c oughs> เรานึกว่าแต่การบรรลุธรรมเนี่ยคือไม่ให้คิดใช่ไหมล่ะ ลองไปแปลทีเนี่ยสัมมาสังกปะนี่แปลว่าอะไรก็คิดกุศลไงคิดหมดเลยนะแม้สมถะยังต้องคิดเลยปรุงแต่งทั้งนั้นแหละเจริญสมถะเนี่ยแต่ปรุงแต่งในเรื่องนั้นปรุงแต่งนจนจิตเป็นสมาธิพอปรุงแต่งเบเสร็จแล้วก็ตั้งมั่นในอารมณ์นั้นแล้วก็ปรุงแต่งอยู่นั่นแหละในอารมณ์นั้นไม่ไปปรุงแต่งเรื่องอื่นนั่นคือสมาธิคิดทั้งนั้น ไม่ใช่อยู่นิ่งๆไม่คิดอะไรไม่ใช่งั้นนะแต่มันคิดว่ามีความสุขมันคิดมีความสุขก็จิตดิ่งอยู่ในสมาธิแล้วมันก็เลยได้ความสุขจากการคิดนะั้นเอาข้อที่สิบสามว่าไงให้สังเกตตัวนะว่าตัว ตัวอกุศลวิตกความดำรีผิดก็จะเป็นปัจจัยกล่าววาจาผิดถ้าดำรีถูกจะเป็นปัจจัยกล่าววาจาถูกมันรันกันอย่างนี้ไอตัวมิจฉาสังกปะกับสัมมาสังกปะเนี่ยอยู่ในหมวดของปัญญาศิกขาสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกปะนี่ไปอยู่หมวดของปัญญานะในอริยมรรคยมำีปยิ่งใหญ่จําได้ไหมนะมรมรคแน่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะเห็นไหม ถ้าสัมมาทิฏฐินี่ความเห็นชอบปัญญาสัมมาสังกปะดัมรบลีชอบก็อยู่หมวดปัญญาส่วนสัมมาวาจาหมวดศีลเห็นไหมในตัวดําริีเนี่ยถ้าดํารลีผิดจะกล่าววาจาผิดหรือถูกเช่ น, นดําริีไปในกามก็พูดในเรื่องอยากจะได้ว่าเออบ้านหลังนี้สวยยัง ใช่ไหมดำริเป็นในกางโอ้โหหน้าคุณสวยดีจังเนี่ยเสียงคุณเพาะจังเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้ยโอโ้คุณเป็นคนดีนะคุณมีมีของเยอะๆเนี่ยก็ไปพัลลานาอะไรย่างเห็นไหมเป็นวาจาก็ผิดถ้าดําริในเรื่องพยาบาทก็พูดในเรื่องของความโกรธควา ม, วามอาฆาตออกมาดําริในการเบียดเบียนก็ใช้วาจาเบียดเบียนฉะนั้นการกล่าววาจาการพูดเท็จส่อเสียดคําหยาบเพ้อเจ้อเนี่ย ที่มันปรุงแต่งออกมาอย่างนี้มาจากการทำบรญผิดมาจากมิจฉาวิตกมองเห็นไหมอย่างนั้นคนที่วันวันหนึ่งกับปรุงแต่งแต่เรื่องไม่ดีทั้งหลายปรุงแต่งบาปในใจทั้งหลายกล่าวว่าเจ้าออกมาก็เป็นมิจฉาวาจาพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อมองเห็นไหมอย่างว่ามันลั่นกันยังไงว่าโอมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะเป็นปใจใัจจัยเกิดมิจฉาวาจา แล้วก็เป็นปัจัยกับมิจฉากรรมต่าด้วยการกระทําที่ผิดด้วยเป็นปัจจัยแก่มิจฉาชีวะการเลี้ยงชีพผิดด้วยอู้หูมันลันเงินมันกระทบออกมาหมดฉะั้นพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาทางอาชีพเนี่ยมันถูกกระบวนการความคิดเป็นตัวปรุงถูกวิตกเป็นตัวปรุงไว้ถ้ามิจฉาวิตกนั้นจะปรุงทําให้ทําบาปทางกายกรรมทางวิจีกรรมทางอาชีพทีนี้เอาอยัางหมอเครียดสมมตินะ วิตกกังวลมากๆเวลาพูดออกมาเป็นสมาวจารหรือมิฉาวจาถึงจะพูดดีก็พูดแบบวิตกกังวลก็เป็นมิฉาวาจาเนเนี่ยาทําออกมาก็เป็นมินชากรรมตะอาชีพที่สแสดงออกมาก็เป็นมิฉาชีวะทั้งๆ ท, ท, ท, ท, ที่ถูกนี่แหละเดี๋ยวตรงนี้อาจจะเห็นยากหน่อยเอายกตัวยอย่างเช่นเวลาเราเกิดโกรธขึ้นมาและเราก็พูดด้วยความโกรธ นี่ทำไมไม่กวาดบ้านทำไมไม่ถูบ้านแต่พูดด้วยความโกรธตรงนั้นเป็นสมาวาจาหรือมิจฉาวิจาเพราะอะไรเป็นตัวผลักดันให้พูดความโกรธเป็นตัวผลักดันให้พูดทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่ได้ไปพูดเท็จเลยนะทั้งๆที่ททไม่ได้ไปพูดให้เขาทะเลาะ ก, กันนะแต่ทั้งๆไม่ได้พูดเพ้อเจอพูดให้เขากวาดบ้านเนี่ยทำไมเป็นมิจฉาวาจาเพราะเป็นคาพูดอะไรพูดหยาบ พูดด้วยความโกรธพูดด้วยความเครียดเอาโทรศัพท์เลยว่า <c oughs> เคยโทรศัพท์พูดด้วยความโกรธไหมเนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยเมื่อไรจะมาสักทีบ่อยไหมมิจฉาวาจาเนี่ยกับสัมมาวาจาเนี่ยโดยมากเราเปล่งวาจาที่เป็นสัมมาวาจารหรือมิจฉาวาจามากกว่ากันโอ้โ ห, โหทาไมทาลายตัวเองขนาดนั้น ใช่ไหมล่ะเออเรามีวาจากันเราก็กล่าวสมาวาจาสิให้เมตตาเกิดก่อนแล้วค่อยพูดได้ไหมให้กรุณาเกิดก่อนแล้วค่อยพูดได้ไหมให้หมุทิตาเกิดก่อนแล้วค่อยพูดได้ไหมได้ไม่ได้ให้ปัญญาเกิดให้หมุทิตาเกิดให้จิต ด, ดีๆเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยเปล่งวาจาออกมาอย่าเป่งวาจาชั่วร้ายเลยอย่างนะ พูดเหมือนหวังดีนี่แหละวันนี้นี่กี่โมงแล้วเนี่ยว่างนนั้นนะแต่พูดด้วยความโกรธนะแล้วเมื่อไหรจะมาสักทีเนี่ ย, ยฉันคอยนานแล้วนะว่างั้นแต่พูดใจเต้นปุ๊บปุ๊บปุ๊๊๊เป็นสมาวิจาหรือไม่เฉวาวิจาพราะพูดด้วยโทสะพูดด้วยความโกรธพูดด้วยความเครียดแค้นชิงชงังบางทีเราก็ไม่กล้าพูด หยาบแรงๆออกมาเรากลัวเสียมันยากแต่นในใจโหย โ, โกรธมากก่อ <c> น <oughs> ดยที่เราเรากล่าวไม่ช้าวาจากันมากจริงๆเพราะพูดด้วยความเครียดพูดด้วยความโกรธบางครั้งก็พูดด้วยความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินบางทีก็พูดเพ้อเจ้อัวเมาลุม่มหลงบางทีก็พูดเหมือนหวังดีว่าไอ้คนคนนั้นเนี่ยไปครบมันได้ยังไง ไม่รู้หรือไงว่าคนคนนั้นเนี่ยมันมีที่สัยอย่างนั้นไม่ดี <c oughs> พราะโปรเสรแต่เขาก็แตกกันสำลิ์ผลเลยตัวนี้ <c oughs> ใช่ไหมพอถ้าเราไม่ชอบใครเนี่ยคุณก็ต้องไม่ชอบด้วยถ้าจะรักฉันก็ต้องรักหมาฉันด้วยเคยได้ยินเพลงนี้ไหมใช่ไหมละ่ะ เนี่ยกรณีแบบเนี้เป็นไอไวาจาที่เราเปล่งออกมามันมาจากวิตกสําคัญมากถ้าเข้าใจกระบวนการวิตกปุ๊บเนี่ยมันจะกระทบออกมาเป็นคําพูดและการกระทําและอาชีพชนเหล่าอื่นก็มีมิจฉาวาจาในข้อนี้เราก็จะกล่าวสัมมาวาจาชนเหล่าอื่นก็มีมิจฉากรรมตะในข้อนี้เราจะมีสัมมากรรมตะชนเหล่าอื่นมีมิจฉาอาชีวะในข้อนี้เราจะมีสัมมาอาชีวะอ้าทีนี้ อะไรเรียกว่ามิจฉ า, าชีวะเป็นอาชีพเป็นหมอนีืเป็นสมาชีวะหรือมิจฉ า, าชีวะอาชีพหมอหรือเป็นสมาชีวะหรือมิจฉ า, าชีวะสมาชีว ะ, ะเราทําอาชีพอะไรเอะฮะ แปลหนังสืออะไรเป็นสมาชีวะหรือมิจฉาชีวะสมาชีกวะอ้าวแล้วเราแปลเป็นอาชีพอะไรสมาชีกวะหรือมิฉาชีวะดูตรงไหนคําว่าสมาชีกวะหรือมิฉาชีวะดูตรงไหน ถ้าตามหลักก็ค้าขายอาวุธค้าขายยาพิษค้าขายน้ำเมาค้าขายค้าขายสัตว์เป็นจำไหมค้าขายค้าขายยาพิษใช่ไหมเราไม่ได้ค้าขายอย่างนี้ก็เลยเรียกว่าสัมมาชีวะใช่ไหมอันนี้เรียกการค้าขายไม่ชอบทําแต่คําว่าจริงๆแล้วตัวมิจฉาชีวะสัมมาชีวะเขาเจาะตรงไหนนะยกตัวอย่างเช่นเจไรต่างๆชีวะเราเป็นหมอก่อนยกยกหมอนึ่ ยกอาชีพหมอจริงๆโดยหลักก็เป็นสมาชิกวาทุนแต่ในขณะที่เราไปทําอาชีพนั้นเพื่อจะหาเพื่อจะแสวงหาเงินมาเนี่ยให้ได้ทรัพย์มาในขณะที่เราไปเป็นอาชีพหมอแต่เราไปโกหกไปพูดโกหกไปพูดคำหยาบไปพูดเพ้อเจ้อหรือไปพูดสอเสียดจากการเรียนหมอสมมุตินะสมมตินะเช่นว่า โรคเนี้ยถ้าจะหายถ้าจะรักษาหายนี่นะมันต้องจ่ายเงินไม่ต่ำกว่าสามแสนทั้งๆ ท, ง ท, งที่โดยจริงๆแล้วใช้แค่สองแสนห้าก็หายสมมติเนี่นะแต่บอกต้องสามแสนะถึงจะหายแล้วคนนั้นเขาก็กลัวใช่ไหมเขาก็ยอมจ่ายสามแสนแล้วเราก็ เอาเงินนั้นไปจ่ายค่า ย, ยาค่ า, าซื้อยาซื้ออะไรไปเสร็จแล้วเราเราบอกว่าค่ารักษาประมาณนั้นแล้วเราก็ไปโกหกเขาแล้วก็ได้เงินนั้นมาอันนี้เป็นสมาชิวะหรือมิฉา ช, ชีวะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไปพูดเท็จแล้วได้ทรัพย์มาไปพูดส่อเสียดแล้วได้ทรัพย์มาไปพูดคำหยาบแล้วได้ทรัพย์มาไปพูดเพ้อเจ้อแล้วได้ทรัพย์มา ไปฆ่าสัตว์แล้วได้ทรัพย์มาไปลักทรัพย์แล้วได้ทรัพย์มาแล้วก็ไปประพฤติผิดในกรรมแล้วได้ทรัพย์มาจากการเลี้ยงชีพเราเมื่อไหร่อาชีพนั้นเป็นมิจฉาชีวะทั้งทั้ง ท, งที่อาชีพที่ถูกไปแปนี่แหละแปรนี่หละโดยเลทราคาค่าตัวเราสมมตินะมันแค่นี้แต่เราเนี่ยบอกว่าค่าตัวฉันเท่านี้ แล้วเราก็ได้ซับมาไม่ถึงจะถูกหรือผิดมันไม่เป็นไรแต่เพียงว่าเราไปพูดโกหกเราอาจจะอัพราคาค่าตัวเราเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะศักยภาพของเราแต่เราเราบอกว่าเราเกลียดขี้หน้าคนนี้หรือไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่หรือเราหมั่นไส้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องการโกงราคาเพื่อให้ได้ซับ พอเราดําเนินชีวิตในการหาเลี้ยงชีพด้วยการได้ทําทุจริตแล้วได้มาไอ้นี่ถึงเป็นเป็นพิชาชีวานเป็นแบบนี้เหมือนอย่างงี้นะเหมือนเราไปซื้ออาหารเดินเดินเดินเดินไปก็ไปถามว่าเออนี่ผักนี้กิโลเท่าไหร่ถ้าบอกกิโลละห้าสิบบาทแล้วบอกเออร้านนุน้นแค่สี่สิบบาทเองทั้งทั้งที่เราไม่ได้ไปถามก็เลยนะแต่ความที่เราอยากจะได้ราคาถูก ไอคนนี้ก็เลยจำใจต้องรดให้เราแล้วก็เลยได้มาสี่สิบบาทอย่างเงี้ยได้อาหารมาเพื่อจะเลี้ยงชีพอันนี้เป็นอาชีพอะไรเนี่ยหลอกลวงแล้วได้มาโกหกแล้วได้ทรัพย์มาเข้าใจยังใดเนี่ยเห็นไหมการบางครั้งเนี่ยมันอาชีพที่ถูกนี่แหละแต่เราดําเนินไปด้วยความที่ได้กายทุจริตวจีทุจริตแล้วได้มาได้ทรัพย์นั้นมาเพื่อมาเลี้ยงชีพทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอันนี้แหละเป็นมิจฉาชีวะ มันมาจากการดํำรี่ผิดหรือดํำรี่ถูกเนี่ยมันดำรี่ผิดถ้าดํำรี่ถูกได้ทราบมา น, นั่นก็อีกอย่างแล้วก็ดําเนินชีวิตที่ถูกต้องยากไหมไม่ยากไม่ยากได้ยังไงการเจริญกุศลไม่ยากสิมันดีด้วยสิเพราะเรามีจุดหมายของเราคือเราต้องการอะไรเราต้องการจะพ้นทุกการหาทรัพย์เลี้ยงชีวิตเนี่ยมันก็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเอง แต่จุดหมายของเราเนะี่ย น, นี่คือระหว่างทางเดินของเราแต่จุดหมายของเราเราต้องการให้ไปถึงจุดหมายนั้นเราก็อย่าไปขวางทางเดินหรือจุดหมายของเราที่จะไปถึงก็แค่นี้เองคือดําเนินชีวิตให้ถูกพอใครอยากจะถามอะไรไหมเนี่ยในสัมมาวจาสัมมากัมตาชนเราอื่นจากเป็นผู้มีการงานผิดอันนี้เป็นกฎสัมมากัมตะชนเราอื่นมีอาชีพผิดแต่เราจะมีอาชีพถุดชนเราอื่นเพียรพยายามผิด เพี้ยนผิดเนี่ยกับเพี้ยนถูกต่างกันยังไงเพี้ยนละบาปนี่เป็นการเพี้ยนถูกนะเพี้ยนเพี้ยนละบาปนี่เป็นเพี้ยนถูกถ้าเพี้ยนทาบาบาปเนี่เพี้ยนผิดเ ร, เราเคยทำบาปมาไหมในเราเคยทำบาปมากันทั้งนั้นใช่ไม เคยฆ่าสัตว์มั้ยลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดเท็จซ่อเสียดคําหยาบเพ้อเจ้อโอเคทำเยอะเลยเนาะเคยโลภโลภโลบอยากได้ของเขาในทางที่ผิดเคยพยาบาทโกรธแล้วคิดจะเขาวิบัต แล้วก็เห็นผิดสรุปแล้วอกศุศลกรรมบอดนี่ผิดทุกข้อเลยเนาะทุกข้อเลยนี่แค่เขาเรียกบาปเก่าเพียรละบาปเก่าคือบาปที่เคยทํามาแล้วต้องเพียรละไหมเพียรหรือไม่เพียรก็เราละมาแล้วเราไม่ต้องเพียรไหมบาปเก่าที่เคยทํามาแล้วต้องเพียรละไหม เพียนหรือไม่เพียนต้องเพียนเพราะบาปที่มันเคยเกิดในกระแสชีวิตของเราแล้วเนี่ยมันมีโอกาสจะกลับมาเกิดใหม่ได้ง่ายที่สุดเพราะมันชํานานมากนั้นต้องตั้งสมาทานว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจากนิพพานจนกว่าจะพ้นทุกบาปที่เคยทํามาแล้วข้าพเจ้าจะไม่ให้กลับมาเกิดในกระแสชีวิตของ้าพเจ้าอีกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าที่ข้าพเจ้าจะพ้นทุกกล้าที่ฐานไหม ถ้ไม่กล้าก็แสดงให้เห็นชัดว่าเราไม่อยากพ้นทุกจริงทุกอย่างมันเกิดจากมโนกรรมคือต้องกล้านะมันต้องกล้าเนี่ยถ้าไม่กล้านี่ไม่ได้เลยเนะบาปอากุศลกรรมทั้งหลายทุจริตกรรมทั้งหลายที่เคยทํามาแล้วข้าพเจ้าจะไม่ให้ทุจริตเหล่านั้น กลับมาเกิดในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าอีกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์สมาานเลยถึงจะเรียกว่ามีสัมมาวายามะจริงเนี่ยบาปเก่า่ทุจริตเก่าอักษรลักรรมเก่าๆที่เคยทํามาทั้งหมดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยบอกกับพระราชนตรัยเลยนะข้าพเจ้าจะไม่ให้บาปชนิดนั้นกลับมาเกิดขึ้นในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าอีก จนกว่าจะถึงซึ่งความทุกข์กล้ามไหมเรายังเสียดายบาปอยู่เลยยังเสียดายอยากจะกลับไปทำเรือยังติดรสชาติของบาปอยู่เลยการทำบาปแต่ละครั้งท่านอุปมาเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนใช้ลิ้นเลียความหวานบนคมของมีดโกนความหวานของน้ำผึ้งเอามีดโกนจุ่มน้ำผึ้งแล้วก็ตั้งไว้อย่างเงี้ย แล้วก็ใช้ลิ้นเลียการเลียเข้าไปตรงๆอย่างเงี้ยมันได้ความหวานไหมแต่ลิ้นขาดไหมนั่นแหละทุจริตเป็นอย่างนั้นในขณะที่ทำทุจริตที่ค้นติดและชอบใจในบาปยินดีในบาปเหมือนอย่างนั้นแหละเหมือนการใช้ลิ้นเลียกินน้ำพึ่งที่ติดอยู่บนคมของมิตรโกนน่ะอยากจะกลับไปเลียอีก ไ, ไหม ฉะนั้นต้องกล้าสมาทานนะว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบาปเก่าทุจริตเก่าอาุศลกระมเก่าจากไม่ให้มาเกิดในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าอีกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความบนทุกอธิษฐานยังกล้าไหมเรายังเสียดายอะไรอ่ะอะไรเป็นเหตุทำให้เราเสียดายบาปบาปมันยังมีรสชาติอยู่ไหมหอมหวานอยู่หรือ ยังมีไหมหมอมีไหมยังยังยังยินดีได้บาปอยู่เลยเย่ทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ย แล้วชีวิตเราจะอยู่ยังไงอยู่แบบเลื่อนลอยแบบนี้อ ย, อยู่ไม่มีมีหลัก อ, อธิษฐานออกจากบาปไม่กล้าเลยฮะแต่เวลา ก็อธิษฐานบ่อยๆก็อธิษฐานบ่อยๆจนให้แข็งแรงได้ได้ทำไมเรากลัวกับการที่จะทำดีแต่ทำไมเวลาทำบาปไม่กลัวก็สมาก็สมาทานที่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่ทำอีกอก็กล้าสิทำไมไม่กล้าเรา ไม่กลัวทำไมไม่กลัวทําไมทําไมเรากลัวอธิษฐานแลไไ้วทํา ไ, ไม่ได้ทําไมไปกลัวงัแล้วถ้าเราไม่อธิษฐานเลยเราจะทำได้ไหมเรามียิ่งเราเรายิ่งเรายิ่งมีแย่ใหญ่เลย คำว่าอธิษฐานแปลว่าอะไรความตั้งใจมั่นใช่ไหมแล้วอธิษฐานบ่อยๆสิถ้าเรากลัวมันจะทำไม่ได้ก็ตั้งใจบ่อยๆตั้งครั้งเดียวไม่ได้ก็สองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งสิบครั้งร้อยครั้งสองร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งตั้งไปเรื่อยๆคิดว่าจะมีพลังไหมมีทำไมไม่มีล่ะเอางี้ ตอนสมัยเ ร, เรียนหนังสือเนี่ยเราคิดบ่อยไหมว่าเราอยากจะจบอะ่ะถ้าจะต้องจบให้ได้คิดบ่อยไหมไม่จริงหรอกคิดแต่เราลืมต่างหากวลาเราจะเนี่ยเหมือนเราขับรถเนี่ยเราตั้งใจไม่รู้กี่ร้อยครั้งนะที่จะไปถึงจุดหมายอะ่ะทำไมกล้าตั้งแหละนั่นก็อธิษฐานนั่นแหละมันก็นเดียวกันนั่นแหละเพื่อจะต้องไปให้ถึงเพื่อจะต้องไปให้ถึง ก็ขับไปเรื่อยเมันติดรถติดเลยต้องไปถึงเลยต้องไปถึงมันคิดตลอดนั่นแหละนั่นแหละคืออธิษฐานแต่พอบอกจะให้อธิษฐานทําความดีหน่อย ท, ทําทีโอ้โหกลัวกันสารพัดแต่เราทํางานทํากิจกรรมทําบาปเยอะแยะหมดเช่นเรานัดกันไปกินเหล้าเนี่ยสมมตินะโอ้โหตั้งใจอยู่นั่นแหละนั่นแหละคืออธิษฐานใช่ไหมกลัวจะลืมวันกลัวจะลืมเวลานัดแล้วนัดอีกพวกมัมายังโทรตามอีกแท้อธิษฐานไปแล้ว ช่วงที่ทำบาปนี่โหอธิษฐานกันยางเป็นร้อยๆครั้งพันครั้งย้ําแล้วย้าอีกมีอะไรมาขัดขวางก็ไม่ได้มีนัดจะไปปาร์ตี้ไปอะไรต่างสารพัดหมดมีนัดวัตถิทําไม่ดีนะอธิษฐานกล้าแต่เวลาจะทําดีหน่อยโอ้กลัวสารพาัดกลัวทําไม่ได้บางกลัวลบไปเลยทาไมไม่กลัวบ้างอะที่นัดไปทําไม่ดีอะเคยไม้มเคยนัดไปกินเหล้าฉลองเลี้ยงกินเลี้ยงกันเคยไหมล่ะ ย้ำกันบ่อยมากเลยอย่าลืมนะอย่าลืมนะแล้วก็ตั้งใจตลอดเวลาไปทํางานคนอื่นเขาจะนัดไปเรื่องอื่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันตั้งใจไว้แล้วฉันจะไปทําชั่วใช่ไห้ใช่ไมเราทำไมตั้งใจดีแท้นี่ใช่อธิษฐานไม่เพียงเราไม่บอกว่าอธิษฐานแค่นั้นเองและความตั้งใจแต่เขาไม่เรียกไอ้ตั้งใจทําไม่ดีเนี่ยเขาไม่เรียกวอธิษฐานดะนั้นจึงบอกว่าตั้งอธิษฐานเทว่า นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขนาดนี้ด้วยบาปอากุศลกรรมทุจริตอกุศลกรรมเก่าบาปเก่าทั้งหลายที่เคยเกิดแล้วจะไม่ให้เกิดในกระแสะชีวิตขข้าพเจ้าอีกจนกว่าข้าพเจ้าจะถึงสึ้ความบนทุกข์แค่พูดแค่นี้ยังไม่กลา้าแล้วจะทําได้ไหมเนี่ยโอ้โหพวกเราเป็นคนที่กลัวการทําดีเนาะ <laughs> ใช่ไหมกลัวการทําดีอ่ะ <laughs> โอ้โหฟังแล้วกลัวเลย ไม่อยากอยู่ใกล้อุ้ยเป็นคนเป็นคนกลัวทําการทาความดีนะแปลกอยากกลัวใช่ไหมความกลัวของเราเหมือนไส้เดือนไส้เดือนเขากลัวมากเวลาเขาจะกินดินเขาค่อยๆกินเขากลัวว่าแผ่นดินมันจะหมดเขาก็ค่อยๆกินค่อยๆกิน ความกลัวของคนที่ไม่มีปัญญาเนะีของไสี้เดือนไม่มีปัญญาเนะี่เขาคำนวณไม่ถูกว่าดินมันมีมากขนาดไหนเราก็คำนวณไม่ถูกว่าผลกุศลมันมีกําลังขนาดไหนเราก็เลยไม่กล้าอธิษฐานว่ามันมีพลังมากขอให้กุศลเกิดสักครั้งหนึ่งมันจะยิ่งใหญ่มากแล้วมันจะประสบความสุขมากไอ้ครั้งแรกไม่กล้าอธิษฐานนี่แหละเราจึงไม่สามารถประสบความสาเร็จในกุศลได้นั้นจงกล้าเถอะ มอบอกจะขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระเจ้าแล้วก็วงเล็บ่าพูดเล่นๆ น, นะ <c oughs> ใช่ไหมล่ะในใจเราจริงๆอะ่ะเป็นอย่างนั้นไหม <c oughs> ข้าพระเจ้าขอถวายอัตภาพนี้แด่พระเจ้า <c oughs> แล้วก็นึกในใจถวายเล่นๆ น, นะนึกงั้นไม่นินไม่นึกถวายจริงไหม <c oughs> ไม่ค่อยจริงจังเลย ต้องกล้าที่จะกระทําสิ่งที่ดีและความดียังมีพลังมั้งนี่คือบาปบาปเก่าทุจริตเก่าอาุศุลกรรมเก่าที่เคยทำสองบาปใหม่ทุจริตใหม่อกุศุลกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยทํามีไหมฆ่าพ่อฆ่าแม่ทําบาปกรรมหนักๆที่เราได้อ่านข่าวนี้นั่งซื้อพิมพ์เยอะแยะหมดนี่บาปใหม่ทุจริตใหม่แต่มันจะมีโอกาสถ้าเราเผลอ สมาทานว่าแม้บาปใหม่ทุจริตใหม่กุศลกรรมใหม่ที่ข้าพเจ้าไม่เคยทำข้าพเจ้าก็จักไม่ทำนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความบรรทุกก้าไม่ละหรือว่าเออเราอยากจะทำบาปแบบนี้บ้างรู้สึกทำแล้วมันน่าจะตื่นเต้นดีเคยคิดไหมและประการต่อมาคือเพียรในการที่จะเจริญกุศลทุกชนิด ทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลแล้วก็เพียรในการที่พัฒนากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพ่บุญยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เขาเรียกสัมมาประธานใช่ไหมเราจะไม่เพียรสัมมาสติ <c oughs> กับมิจฉาสติเอ้มิจฉาสติคืออะไรอา้าวใครใครใครฉลาดในการระลึกแบบมิจฉาสติคือระลึกทีไรระบาบเกิดทุกที ระลึกถึงแต่บาปแต่บาปแต่บาปถึงถึงที่ไม่ดีไม่ดีทั้งที่เป็นอดีตทั้งเป็นอนาคตระลึกโอ้โหดึงข้อมูลมาแต่ละทีนี่ทุกใจเครียดวิตกกังวลอะใครเก่งบ้างใครชํานาญในการระลึกบาปเนี่ยก็เรียกว่ามิดฉ้าสติคนส่วนใหญ่เป็นแบบเนี้ต่อไปเราจะเจริญสัมมาสติสัมมาสติเป็นยังไงตัวสติเนี่ยเป็นตัวดึงข้อมูล ฉลาดดึงข้อมูลที่เป็นกุศลมาได้ง่ายได้เก่งมากข้อมูลดีๆทั้งหลายดึงมาปุ๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะเนี่ยข้อมูลทั้งหลายที่เรามารับอย่างนี้เป็นข้อมูลดีๆหมดโอ้โหส ต, ติไปดึงเมื่อวานนี้ที่ไปไหว้พระาธาตุไปสวดมนต์อะไรต่างๆ ด, ด, ดึงมาหมดเลยนะไปสวดมนต์ไปเจริญกุศลทุกอย่างให้ทานยังไงเจริญกุศลยังไงไปบินธบาตกับพระไงถืออาหารยังไงโอ้โหระลึกได้หมดเลยเนี่ยสัมมาสติดึงข้อมูลในดีได้เก่งมาก ดึงมาให้ปัญญาตรวจสอบฟันวิจัยแยกแยะโอ้โหปีติปาโมทเกิดง่ายมากเลยเป็นไหมเนี่ยพรเราไม่ได้ฝึกไงก็ฝึกเสียใช่ไหมนะเข้านะเข้าโอ้โหคนบางคนก็ดึงบาปได้เก่งแต่ เ, เราดึงกุศลได้เก่งดึงมาดึงไปได้เก่งแล้วเอาจิตกํากับอยู่กับกุศลได้เก่งใช่ไหมจะให้จะให้สติกํากับอยู่ที่ไหนก็ได้เราลึกอยู่ในเรื่องอะไรก็อยู่ในเรื่องนั้นสามารถที่จะ ให้กุศลอยู่ในใจเราตลอดไม่ให้ออกไปก็ได้ปิดไม่ให้บาปเข้าโอ้โหก็ได้เก่งมากสติเนี่ยปิดไม่ให้บาปไหลเข้าสู่จิต โ, โหเกจริงจริงๆแล้วก็สํารวจพื้นที่สตินี่นะจะไปหน้าที่ตรงไหนเนี่ยสํารวจโอ้โหเช็คสแกนพื้นที่ได้เลย ว, ว่าไปที่ตรงไหนกุศลจะเกิดจะไปที่ตรงนั้นสแกนเพื่อนสแกนอะไรต่างปุ๊บปุ บ, ปบเหมือนกับอีที่เหมือนกับที่เขามีเรดาร์ ปื๊ดเขารู้เลยนะว่ามีระเบิดอยู่หรือไม่มีที่ตรงนี้ไปไม่ปลอดภัยสติจะเป็นหน้าจะทาหน้าที่แบบนี้ถ้าไปหาคนคนนี้บาปจะเกิดจะไม่ไปไปหาคนนี้กุสนเกิดละไป <c oughs> เราขนาดนั้นไหมล่ะสติเราขนาดนี้ไหม <c oughs> <c oughs> โอ้ยสตินี่จำัวรู้เยแยกแยะได้เลยแล้วรู้ด้วยนะสติเนี่ยคอยตรวจสอบบอกทุกวัน ตอนเนี้ยกายาสุจริตวจีสุจริริมโนสุจริริกุศลทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่เท่าไหรหรือหายไปแล้วเนี่ยโอ้โหสติจะคอยรายงานบอกตลอดโอ้โหเนี่ยกุศลมีเหลือหรือไม่มีเหลือเลยเช็คหมดเลยเช็คในกระแสชีวิตเดอบอกโอ้นี่กุศลเหลือน้อยแล้วอู้รีเพิ่มเลยปุ๊บปุ๊ ป, ป๊ขนาดนั้นเนี่ยปิดไม่ให้บาปไหลเข้าสู่จิตก็เก่งไหมปิดทางตาหวานตาคุณอย่าบวกลิ้นใหญ่ใจเป็นเหมือนนายทวารประตูเหมือนเหมือนกับ เหมือนกับไอ้ยามเนี่ยเหมือนคนเฝ้าประตูอะรู้เลยไอ้ น, นี่เข้าไปจะเป็นโทษปิดไม่ให้เข้าเวลาทุจริต จ, จะเข้าไม่ให้เข้าบาปจะเข้าไม่ให้เข้าเวลากุศลจะออกจากจิตนี่กันก็นไว้ไม่ให้ออกโอสติขนาดนั้นปิดก็ได้กันก็ได้นี่สติทาหน้าที่ขนาดนั้นเนอะมหัศจรรย์มากถตาใครจเจริญสติได้ ธรรมิชชาสติเนี่ยโหยชลาดในการดึงบุญดึงบาปมากเลยไอเรื่องเก่าๆทํามาตั้งนานยังดึงเอามาทําบาปได้มาน้อยเนื่นต่ำใจมาทกมาเครียดมากุ้มไอเรื่องผ่านมาตั้ง น, นั้นเลยเคยโกรธใครมาตั้งนานก็ยังดึงมาทําให้มันปรุงแต่งให้เป็นบาปเป็นบาปได้ชํานานไหมชํานานในการคิดถึงบาปไหมโอ้โหเก่งมากในการทําลายตัวเองเก่งจริงๆนี่คือมิชชาสติจะเป็นยัง้งจะระลึกผิด แล้วก็มิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิก็ตั้งมั่นในการทําบาปโอ้โหเวลาจะทําบาปผี่ตั้งมั่นตั้งมั่นในการที่จะฆ่าสัตว์จะลักทรัพย์จะประพฤติผิดในการตั้งมั่นในการที่จะพูดเท็จสอเสียโอ้โหูยตั้งมั่นมาก น, นั้นเราจะไม่เจริญจะเจริญสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือตั้งมั่นที่เป็นกุศลนะที่เป็นกุศ ล, ลจิตอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหนี่สี่โมงกว่าแล้ว สมควรเก็บเวลาเมื่อเดี๋ยว6กโมงกว่าๆเลยได้ไปทำวัดกันเอา้าอุทิศ ว, วนกุศลกัน